รับสั่งให้ลงปรับภาชนียกรรมพระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถาตรัสเรียกพระสารีบุตรและพระโมคลลานะมารับสั่งว่าไปเถิดสารีบุตรโมฆลลานะเธอทั้งสองจงไปกีดาคิรีชนบท จงลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพัสกกะให้ไปจากกีดาคิรีชนบทเพราะภิกษุพวกนั้นเป็นสัตว์ที่วิหาริกของเธอทั้งสองพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระพุทธเจ้าจะลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพสุกะ ให้ไปจากกีดาคิรีชนบทได้อย่างไรเพราะพวกเธอดุร้ายยาบคายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งสองจงไปกับภิกษุหลายๆรูปพระเถระทั้งสองทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ว